ท่านอนกาเรื่องธางมนี้นะครับแล้วก็เจิญพรแรงโยมทุกคนนะี่อยู่คนที่มาปฏิบัติวันนี้ก็ดูหลากหลายดีนะหน้าใหม่ๆก็เยอะแต่อาจจะเคยปฏิบัติกันมาอยู่บ้านกันน เราก็มาปฏิบัติธรรมนะคือการที่เรามาศึกษาความจริงนะศึกษาความจริงของชีวิตนะที่จริงเราสังเกตไหมเวลามีความทุกข์ก็คือว่าก็คือเราไม่ยอมรับความจริงอะไะ mm hmm. ถ้าเรายอมรับความจริงนะจิตใจก็จะไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าเมื่อไรที่เรา ไม่ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นนะใจก็เป็นบุกแล้วทำไมเราถึงไม่ยอมรับความจริงนะเพราะว่าใจมันมันมีความอยากเนาะมันมีความต้องการที่อยากให้เป็นอีกอย่างหนึ่งนะความจริงกับความอยากมันไม่ตรงกันเนะ่แน่ ถ้าความจริงกับความอยากมาตรงกันเราก็ได้เรียกว่าเป็นความสุขแต่ถ้าความจริงกับความอยากมันไม่ตรงกันมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์นั้นถ้าจะว่าเป็นจริงก็คือความอยากนี่แหละนะคือเหตุทําให้เราเกิดความทุกข์ใจทํายังไงเราถึงจะละความอยากได้อันนี้แนะคือถ้าเราละความอยากได้นะ คชื่อว่าเราก็รักความทุกข์ได้เหมือนกันนะนี่คือการปฏิบัติธรรมถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะเราก็จะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรามีความทุกขนะ์น้อยลงนะหรือว่าไม่ทุกข์เลยนี่คือปฏิบัติธรรมจริงนะทีม่มันตรงมาอยู่มาสู่ที่เรียนรู้เรื่องความอยากันะกความอยากได้นะจิตใจก็เป็นทุกข์ ในชีวิตค า, าววะนะก็สำคัญนะในชีวิตของพระเองนัก บ, บวชเองก็สำคัญเหมือนกันนะนะคือชีวิตถ้าเราไม่รักความอยากไม่รักความที่เพลิดเพลินพวกนี้นะมันก็จะทำให้ชีวิตของเราเหนื่อยมากแล้วก็เป็นทุกข์มากแต่บางทีความความอยากความทะเยอทะยานทางโลกนะ มันก็บางทีเราถ้าเป็นคาราวาเราก็รู้จักถ้าละเราก็กลัวเราจะไม่ก้าวหน้านะถ้าละแล้วเรากดกลัวไม่มีนะมากเหมือนคนอื่นนะแต่จริงถ้าเราพิจารณาดีๆนะชีวิตเรามันมีความจำเป็นมีความต้องการจริงๆในชีวิตเนี่ยมันมากขนาดไหนพนะูเจ้าไม่ได้สอนให้เราว่าอ่า คือไม่ต้องทำอะไรเลยนะอะไรที่เป็นความจำเป็นของชีวิตรเราก็ดิ้รขนรนผลฝนคายได้นะปัจจัยสี่หรือว่าสิ่งที่มันต้องทำให้ชีวิตของเราการงานมันต้องพัฒนาจเจริญเติบโตเนะี่ยเราก็ทำได้แต่ความดิ้นรนความอยากที่มันมากกว่าตรงนั้นแหลนะมันทำให้จิตใจ ของเราเคร่งเครียดแล้วก็เหนื่อยมากนะสังเกตไหมบางคนอยากจะใช้ชีวิตที่ดูดูนะอยากจะใช้ชีวิตที่เพื่อนคนอื่นเขายกย่องนับถือนะสรรเสริญนะชีวิตต้องเหนื่อยมากเลยนะต้องเหนื่อยในการทําตัวให้ดูดีต้องมีของที่มีราคาต้องมีตําแหน่งหน้าที่ที่คนเขาเคารพนะศรัทธา เหนื่อยมากเลเหนื่อยในการหาแล้วก็ดีนะเหนื่อยในการรักษาด้วยก็ดีนะแต่คนส่วนใหญ่จะมองว่าไม่เหนื่อยหรอกนี <c> ่ <oughs> มันสนุกเจตายหรือว่ามันดีนะแต่ก็อันนี้ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดนะข้อคิดในการใช้ชีวิตเพราะเอาขอ้อจริงนะเพราะของคนนี้มันไม่ได้มันไม่ได้จรีรังยั่งยืนนะลองพิจารณาดูดี มีมานะเมื่อเราไม่สบายเมื่อเราแก่เมื่อเราตายนะมันก็เอาไปไม่ได้นะสักอย่างหนึ่งอย่างสามสีนะ่วันที่ผ่านมาจะมาไปไปที่โรงพยาบาลนะนะแล้วก็ไปทำโครงการร่วมกับหมอพยาบาลนะดูแลผู้ป่วยนะลหลายเคสก็คือผู้ป่วยระยะสุดท้าย หรือผู้ป่วยที่ป่วยเรื้อรังนะแต่หลายเคสก็เป็นแค่ผู้ป่วยใหม่เพิ่งก็าขึ้นเข้าไปลงบาลแลก็ปนปให้กำลังใจ3ามสี่วันนี้ก็เยี่ยมน่าจะมา ก, ก็รอยเคสนะก็เห็นนะเห็นคนป่วยนะหลายคนหลายคนก็เคยเป็นคนที่มีฐานะ มีหน้าที่การงานนะแต่หลายคนแต่หลายคนก็เป็นคนธรรมดาหนาหละนะแต่ก็เหมือนเหมือนกันนะพอถึงข่าวป่วยนะก็ต้องอยู่ในสภาพเหมือนกันนะไม่ต่างกันเลยเมื่อถึงขาวป่วยสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตจริงๆก็คือกลับมาถึงเรื่องปัจจัยสีนะ่มีอาหารนะ อาหารถ้ากินได้ก็กินเองถ้ากินไม่ได้ก็กินทางสายยางถ้ากินทางสายยางไม่ได้ก็ให้ทางเส้นเลือดเหมือนนั่น <c oughs> <c oughs> ก็คืออาหารเ <c oughs> สื้อผ้าเครื่องมก็ตามตาอยูนิฟอร์มของโรงพยาบาลนะก็แค่นั้นแต่สิ่งสำคัญก็คือ ยานะยารักษาโรคแต่ละโรคก็ต้องอาศัยยานะแตกต่างกันไปแต่ก็เห็นไหมว่าใช้ ย, ยามากเลยนะคนเราเมื่อป่วยหนักๆเนี่ายใช้ยามากที่อยู่อาศัยก็ไม่เกินเตียงหนึ่งหรืออย่างมากก็ห้องนึง <c oughs> ห้องหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้กว้างนะห้องโรงพยาบาล น, นะถ้าอยู่ห้องรวมอ่าบอร์ดรวมก็ ที่อยู่แต่ก็เพียงแค่หนึ่งเตียงแล้วก็ของรอบข้างนิดหน่อยชีวิตชีวิตจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากเลยนะพอถึงคราวเราป่วยไม่สบายเนะี่ยชีวิตที่มันจาเป็นจริงนะปัจจัยสี่แล้วก็ลมหายใจนะอที่จะเป็นตัวทำให้เราได้มีชีวิตตืกต่อไปแ้าพอเรามาพิจารณาดูตรงนี้นะโอ้ชีวิตเรา ทำไมต้องดี้นรนคนไายมากมายนะดิ้นดนไปนะก็เหนื่อยมากนะถ้าเรามีความพอใจในชีวิตเรานะนะชีวิตเราจะมีความสุข ง, ง่ายนะมีความทุกข์ยากความพอใจเนะี่ยภาษาพักจะเรียกว่าความสันโดษกดันนะพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้นะพอใจใ น, ในสิ่งที่เรามีนะคือ เช่นเราตอนนี้เรามีทรัพย์สินเงินทองมีข้าวของมีคนที่เราเรารักอยู่ประมาณเนะีนะ้ยเราก็มีความสุขมีความพอใจอยู่กับสิ่งที่เรามีเราจะได้อะไรเข้ามาในชีวิตนะนะเราก็มีความสุขมีความพอใจในสิ่งนั้นนะโดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากมายนะชีวิตเราก็มีความสุขความพอใจแล้ว ถ้าชีวิตแบบนี้นะง่ายนะอย่างชีวิตพระเอะไรนะพระอาจารย์ก็สอนเราพอใจนะเ็นผ้าสามพื้นพอใจในที่อยู่อาศัยนะคนติก็ดีไม่มีคนติก็อยู่ตามโคนไม้ก็ดีนะอยู่ที่ถ้ำก็ดีก็พอใจพอใจในอาหารจากการบินธบานนะที่โยมเขาถวายนะก็พอใจละ พอใจในยารักษาโรคตามที่ตามตามที่มีนะตามที่มีตามที่ไดนะ้อย่างเราเองอย่างก็ไม่ ก, ก็ก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมากมายนะสิทธ์บัตรทองก็ถ้าป่วยก็ใช้สิทธิ์แค่นี้ก็พอใจนะพอใจนะอืมไม่ต้องดิ้นอะไรมากอันนี้คือชีวิตถ้าเรารู้จักพอใจนะชีวิตเราจะ มีความสุขง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าแปลว่าการพอใจแค่นี้คือเราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะถ้าเราเป็นคารวาสเราก็แล้วก็ทํามาหากินโดยสุจริตนะจะรวยขึ้นก็ไม่กิดนะัดพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธความรื่องรวยไม่ได้ปฏิเสธหน้าที่การงานที่สูงขึ้นนะไม่ได้ปฏิเสธแต่ขอให้ทําด้วยความสุจริตนะนะ่น ถ้ามันจะมีก็มีด้วยความผุจจริตไม่ใช่มีด้วยความทุจริต น, นี่คือถ้ามันจะ ก, น ก, ก้าวหน้าก็ก้าวหน้าด้วยเหตุปัจจัยที่เหมาะสมไม่ใช่ก้าวหน้าในการที่ไปเบียดบียดคนอื่นอันนี้คือพระเจ้าไม่จะ่ปฏิเสธแต่พอถ้าเราขึ้นไปทีละระดับอย่างที่เราทำด้วยความถูกต้องสมควรเนี่ยเราจะเราจะรู้สึกว่าอืม เราภูมิใจในตัวเองนะมีความภูมิใจในตัวเองนะนี่คือคือการงานเนาะที่เราต้องเกี่ยวข้องแต่คราวนี้แต่ทั้งคนพูดแบบอันมาพูดแบบนี้นะบางทีมันก็พูดง่ายแต่ก็อย่างที่ว่านะความอยากนะความดิ้ดนรนหรือว่าสังคมนะที่เขา ที่เขาโฆษณานะหรือสังคมที่เขาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็จะทําให้เราทําให้เราดื่มตัวเนาะพอได้ยินเนาะ <c oughs> คือพอเราอยู่กับสังคมเราก็จะทําให้เราดื่มตัวได้ง่ายๆทํา ย, ทยังไงนะ่ะเราถึงจะไม่ดื่มตัวเนะี่ยคําว่าดื่มตัวในที่นี้ก็คือนี่แหละดื่มกายดื่มใจ ของตัวเองนี่แหละนะชีวิตเราที่ที่ลืมตัวนะอ mm hmm. มันทําให้ชีวิตเรามันมีความทุกข์ได้ง่ายเนาะการที่เรามาฝึกเจริญสติเนะี่ยจะฝึกทําให้เราไม่ลืมเนื้อดืมตัวนะอื mm hmm. คือไม่ดืมร่างกาย mm hmm. ไม่ลืมจิตใจนะะ mm hmm. เรามาฝึกเพื่อจะไม่ดืมเนื้อดืมตัวนะ่ะ ดื่มเนื้อืมตัวในที่ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ว่าเราจะต้องดื่มตัวแบบคนที่แบบแบบสุภาษสิทไทยเท่านั้นนะหมายถึงว่าเช่นดืมกลายเป็นคนหลงตัวนะกลายเป็นคนที่เหยียบหัวคนอื่นนยะไม่ใช่แค่นั้นนะแต่คำว่าดื่มตัวคือเช่นเวลาจิตใจเขาเผลอมาคิดนะ เราก็ลื่มรู้ไม่เท่าทันความคิดที่มันเกิดขึ้นมาหรือเวลาจิตใจเกิดความโกรธขึ้นมานะเราก็ไม่รู้ทันว่าเออตอนนี้ความโกรธครอบงมจิตใจแล้วนะหรือเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเนะี่ยความอยากก็ครอบงมจิตใจแล้วนะหรือเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่นะเราก็ลื่มตัวไม่รู้ตัวว่าทำอะไรอยู่นี่คือความลืมตัวนะเป็นกับทุกคนนะ คนดีก็เป็นคนไม่ดีก็เป็นนะพระก็เป็นได้โยมก็เป็นไดนะ้ความลืมตัวนี่แหละนะเป็นเป็นเหตุที่ทำให้เราเราทําตามอารมณ์ทาตามความคิดเนาะการจะเดินสติเนะี่ยคือการที่ทําให้เรากลับมารู้สึกตัวนะทำให้เรากลับมาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายกับจิตใจนี้เนาะ เพราะว่าการกลับมาดูนะจะทําให้เราเข้าใจนะการกลับมาดูจะทําให้เราเห็นนะเมื่อเห็นแล้วนะเราจะเกิดความเข้าใจอ๋อที่จริงก่อนที่เราจะโกรธนี่ยนะมันก็ไม่ได้โกรธแต่พอโกรธแล้วกลายเป็นคนทล้คนเลยนะใช่ไหมพอเราโกรธแล้วกลายเป็นคนทล้วคนนะก็เกิดเป็นความเกิดความอยากขึ้นมาในใจเลยนะ ไม่ได้ยินนะถ้าพอได้ยินก็ดีแล้วนะยังดีโชคดีเสียงในห้องเหมือนกล้องนะนะเราก็มาฝึกสตินะฝึกสติแล้วเราจะได้ได้ได้ได้มีชีวิตที่มีความทุกข์น้อยลงยอมนะ ได้มีชีวิตที่มีความสุขง่ายขึ้นนะไม่ว่าเราจะเป็นผู้ที่มาปฏิบัติธรรมใหม่ก็ดีนะหรือว่าผู้ที่เคยฝึกอยู่แล้วก็ดีนะไอมาก็เชื่อว่าการ <c oughs> การที่เราฝึกสติเนี่ยจะทำให้ชีวิตเรามีความทุกข์น้อยลงอย่างเห็นชัดๆอย่างเวลาไปเยี่ยมคนป่วยเนะี่ยเวลาไปเรียกว่าไปไปให้ให้สติเขาเนาะอ่า ให้วิธีฝึกสติของเขาเนี่ยหลายคนที่มีความป่วยเนี่ยเขาก็มีความทุกข์กายเยอะแต่พอมีสติมากขึ้นนะความทุกข์กายก็ลดลงเห็นหลายเคสชัดๆเลยว่าความปวดหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเกี่ยวข้องกับจิตใจเยอะมากจิตใจพอกังวลจิตใจพอกลัวเนี่ย ต้องใช้มอร์ฟีนแบบเยอะมากนะแต่พอจิตใจดีนะสมมุติถ้าเคยใช้มอร์ฟีนระดับแบบถ้าถุงมาเต็มมาร้อยเนะพอจิตใจดีขึ้นเนะ่ะใช้ไม่ถึงยี่สิบเอร์เซ็นต์คือมันเห็นเลว่าโอ้พอพอใจทุกข์นะพอมีความกังวลเนี่ยใช้เต็มที่นะก็ยังมีความปวดเยอะแต่พอจิตใจดีขึ้นเนะี่ยใช้ไม่ถึงยี่สิเปอร์ซ็นต์นะ มันก็คงเป็นเพราะว่าร่างกายนะมันเป็นทุกข์จริงๆนะก็ต้องใช้บ้างนะแต่จิตใจเนี่ยพอไม่เป็นทุกข์เนี่ยก็ทําให้ไม่ต้องใช้มากเลยแต่หลายเคสเราเห็นแบบเนี้ย น, นะหรือหลายเคสพอก่อนไปเยี่ยมนะเห็นเขาร้องโอดควนพอไปพอไปตบตัวนะเรียกสตินะโยมชื่ออะไรนะเป็นยังไงบ้างอะไรนะ พอแค่กลับมาตีเนื้อตีตัวเขานะก็หยุดร้องได้นะหยุดร้องนะมีสติขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคือที่จริงถ้าจะว่าเป็นจริงนะสตินะมันก็มีอยู่ในตัวเราเองอยู่แล้วนะแต่เทีนต่ว่าเราจะปลุกปลูกสติให้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะเรียกสติตัวเองได้อย่างไรเนะี่ยคือเป็นสิ่งที่ที่สําคัญเนาะ กรรมฐานทั้งหลายนะวิธีปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยก็คือเป็นวิธีเรียกสตินะเรียกสติให้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะการเคลื่อนไหวร่างกายนะก็เป็นวิธีหนึ่งในการเรียกสตินะนะเราอาศัยการยกมือสร้างจังหวะอาศัยการเดินจงกรมก็คือเพื่อเพื่อปลูกสติให้มันเกิดขึ้นเนะคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวข้างหนึง่งก็รู้สึกตัวข้างหนึง่ง บางครั้งหยุดนิ่งนะเราก็รู้สึกตัวบางครั้งสัมผัสนะก็เกิดความรู้สึกตัวนะเราอาศัยรูปแบบกรรมฐานนะเป็นการสร้างสตินะคือเพื่อรู้ว่าตัวเขาทำอะไรอยู่นะรู้ว่ามีตัวอยู่ในโลกนี้นะเห็นตัวนะเห็นร่างกายนะไม่ใช่เห็น เ, นเรานะเห็นเป็นรูปนะเห็นเป็นรูปนะ เห็นเป็นวัตถุอย่างหนึ่งนะคือที่จริงความความเห็นผิดนะี่ที่มันชัดๆเลยนะแต่มันก็ถอนยากนะคือความเห็นผิดว่าหรือความรู้สึกว่าร่างกายเนี้ยมันเป็นเราจิตใจเนี่ยมันเป็นเราเรามีความเห็นมีความรู้แบบเนี้ยมานานมากแล้วพอเราคิดว่ามันเอ๊ะร่างกายเนี้ยมันเป็นเรานะจิตใจเนี้ยมันเป็นเรา พอร่างกายนี้มันเป็นทุกข์นะไม่สบายเนี่ยใจเลยใจก็เป็นทุกข์พอความรู้สึกเนี้ยหรือว่าความคิดเนี้ยมันเป็นเรานะพอมันไม่ได้อย่างที่ต้องการน่ะมันก็เป็นทุกข์มันมันยากตรงที่ว่าเราจะเรายังมีความรู้สึกว่ากายเนี้ยใจเนี้ยมันเป็นเราเมื่อไายนี้ใจเนี้มันเป็นเราพอมันเจอกับสิ่งที่ไม่ ไม่ปรารถนาไม่ต้องการเราก็ง่ายที่จะเป็นทุกข์มากแต่ถ้าเมื่อไหร่เราถอนความรู้สึกว่ากายเนี้ยใจยเนี้ยเป็นเราได้เนะี่ยความทุกข์มันก็เกิดขึ้นเพียงแค่กับร่างกายนะหรือความทุกข์เกิดขึ้นกับจิตใจแ ต, แต่แต่ไม่ใช่ว่าใจเรานะมันเกิดขึ้นกับจิตใจนะอืมเกิดขึ้นกับร่างกายเท่านั้นแต่เอาไว้ก่อนก็นได้นะเราลองมาฝึกสติ ด, ดูนะแล้วก็ฝึกค่อยๆแยกไป แค่แค่แยกว่าเช่นร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเป็นคนรับรู้เรามีอยู่สองส่วนคือร่างกายกับจิตใจกายเคลื่อนไหวนใจรับรู้เป็นการรู้สึกตัวแบบรวมๆนะการจเจริญสติให้ให้เรารู้สึกตัวแบบรวมๆจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีจะทําอะไรก็ดีนะ เพียงแค่รู้สึกถึงการมีอยู่ของร่างกายนะแต่จริงแต่ว่าบางทีการเคลื่อนไหวเช่นมือก็ดีหรือเท้าก็ดีนะมันเวลาเราเดินก็อาจจะเด็่นะเท้ากระทบพื้นก็อาจจะเด็นนะ่นการก้าวไปก็อาจจะเด็นกดส่วนอื่นเวลาเรายกมือก็ดีนะนะมือที่เคลื่อนมือที่กระทบ ก, ก็อาจจะเด็นกัส่วนอื่นแต่เราอย่าปิดจ้องเพียงแค่มือหรือเพียงแค่เท้า แต่ให้เรารู้สึกตัวแบบรวมๆนะรู้สึกแบบรวมๆเมืเม่อเราดูทีวีอ่ะเราก็ดูไปทับจอนะแต่ในขณะนั้นตัวแสดงตัวไหนหรือภาพอะไรมันเด่นขึ้นมาเราก็จะเห็นตัวนั้นมากกว่าอันอื่นแต่ไม่ใช่เราเห็นอันเดียวนะไม่ใช่เราเป็นจ้องที่ที่รูปเดียวนะนั้นการรู้สึกตัวรวมๆเนี่ยนะนะก็คือเราเห็นรูปเขาเคลื่อนไหว นะรูปเขาทาอะไรก็ได้แต่นะมีจิตใจที่คอยรับรู้นะเวลาเราดูรูปนะแต่ดูร่างกายเนะี่ยมันจะเป็นการรู้ตัวแบบพร้อมๆกันไปเลยนะกายเคลื่อนใจรูนะ้น่ะในขณะเดียวกันเลยนะนะไม่ใช่คือยรู้ก่อนหลือว่าไปรูปท้ทีหลังนะการรูนะ้รูปเนี่ยเป็นการรู้ตรงที่ปัจจุบันทันทนะีอย่างมาพูดไปนะ มีเสียงออกไปปุ๊บโยมได้ยินปั๊กเนี่ยทันทีเลยนะมันาจจะแค่ดีเลย์เพราะว่ามันเป็นเป็นเสียงจากอื่นๆเนาะไม่ใช่เสียงจากตัวเองมัาจะดีดีเลย์ในชเชิงของแง่ของระยะทางแต่มันก็ไม่ได้มากแบบนะแค่เดียวแต่การดูรูปของเราเองน่ะมันไม่มันไม่ช้าแบบนี้มันทันทีน่ะทันท่วงทีเลยน่ะเราเคลื่อนไหวปุ๊บน่ะรู้สึกตัวทันที เราก็รู้สึกแบบนะี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเอาใจเปคอยดูก่อนนะเช่นเราเอามือวางไว้ตอเนนีะ้เราก็รู้สึกตัวในการที่มือวางไว้นะทันทีเลยนะไม่ต้องไปคอยที่จะไปดูมือที่กำลังจะพิกแบบนี้นนะเรารู้สึกตัวได้ทันทีตอนที่นั่งอยู่พอพิกปุ๊บนะรู้ปับ๊บนะมันหยุดเราก็รู้พอมันเคลื่อนปุ๊บ นะเราก็รู้ในนั่นมันหยุดเราก็รู้วางปุ๊บเราก็รู้นะมันหยุดเราก็รู้แต่รู้โดยที่เราไม่ต้องไปพูดนะไม่ต้องไปพูดว่มือเคลื่อนมือหยุดแต่นะั้นนะแค่รู้สึกเฉยเฉยนะเห็นร่างกายเ้าเคลื่อนไหวนะเห็นร่างกายเขาเนะเหาา ย, ขายุดนิ่งเห็นร่างกายเขาสัมผัสร่างกายเ้าอันหนึง่ง จิตใจเป็นเพียงแค่ผู้รู้ถ้าลืมรู้เมื่อกี้เผลอไปคิดเมื่อกี้ลืมนะก็ไม่เป็นไรรู้ใหม่เลยนะเรารู้ลูปที่มันเคลื่อนไหวขั้งใหม่นะพอเราเห็นลูกเขาเคลื่อนไหวเห็นลูกเขาทำอะไรแล้วแต่นะพอเราเห็นเป็นสัตว์แต่ว่ารูปนะเมื่ออาการเกิดขึ้นกับรูปเป็นกระทุกคนนะเดี๋ยวนั่งไป น, นานๆก็ปวดปวดไหม ดูไปสักพักเดี๋ยวก็หิวตอนช้าเดี๋ยวก็หิวเราจะเห็นวาพอเราดูรูปไปเรื่อยแล้วจะเห็นว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นกับรูปนะความหิวก็ดีความเมื่อยก็ดีความเจ็บก็ดีความร้อนก็ดีนะมันเกิดขึ้นกับรูกนี่อ๋อลูปมันเป็นทุกข์นะไม่ใช่เราเป็นทุกข์นะ แต่ถ้าเราไม่เห็นนะ่ะจะกลายเป็นเราปวดเราเจ็บเราหิวเราเมื่อยนะแต่ถ้าเราดูรูปนะเพราะรูปสัตแต่ว่ารูปนะทีลัะขณะที่ลักษณะเออตอนนี้มนไม่ปวดนี่แต่พอสักพักความปวดเกิดขึ้นกับรูปตอนนี้ไม่ ห, หิวสักพักความหิวเกิดขึ้นกับรูปไปได้เห็นเนอะรูปโดยปกติมันก็มันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะ ความปวดความเมื่อยเนี่ยเขาจอนเข้ามาทีละขณะความหิวก็จอนเข้ามาทีละขนาดอ๋ออันนี้ทุกข์ของรูปนะอ่ามันเป็นทุกข์ของรูปเป็นแบบนี้แล้รูปมันเป็นทุกข์แต่ใจเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ทุกข์ใจเป็นผู้รู้รูปนะมันก็คนละอันกันนีกนะก็เห็นในแบบนี้นะพอเราดูดีๆเรามีสติจะเห็น ตอนที่มีสตินะใจก็เป็นปกติใจไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่พอขาดสติปุ๊บนะเผลอไปคิดถึงงานนะเริ่มเครียดละถ้าเผลอไปคิดถึงอาหารที่อร่อยเริ่มชอบละถ้าเผลอไปคิดถึงคนที่เขาว่าเราเน่เริ่มไม่พอใจละถ้าเผลอไปคิดถึงคนที่เรารักอ่าเริ่มชอบใจละ เ <S an> ห็มัหยพอใจมันไม่คิดใจเป็นปกติรู้สึกตัวนะใจไม่เป็นอะไรเลยนะปกตินิ่งๆแต่พอคิดนะเริ่มไม่ปกติละใช่ไหมเห็นโอ้การคิดในที่นี้หมายถึงว่าการที่จิตมันปรุงแต่งโดยที่เราไม่รู้เท่าทันจะเห็นว่าโอ้จิตที่ปรุงแต่งนี่เองนะมันเป็นเหตุทาให้เกิดเป็น เป็นความสุขความทุกข์ต่างๆขึ้นมาในใจิตใจแตเห็นาโอ้พอมันไม่ปรุงแต่งเนะี่ยใจไม่เป็นทุกขนะ์นะใจคือปกติแต่พอเราไม่รู้ทันเวลาใจมันปรุงแต่งเนะี่ยโอ้เป็นนั่นเป็นนี่เลยนะแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ใจนะพอใจมันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาเนะี่ยกลายเป็นเราไปยึดว่าเป็นเรานะเรากำลังมีความสุขเรากำลังมีความทุกข์ เรากำลังอพอใจเรากำลังไม่พอใจแต่คราวนี้ให้เราเห็นแบบนี้อีกทีหนึ่งนะวเวลาเห็นความคิดก็ดีเห็นอาการหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจก็ดีดูมันเป็นเพียงแค่อาการดูเป็นเพียงแค่อารมณ์ดูเป็นเพียงแค่ความรู้สึกนะรู้สึกว่าใจมันรู้สึกอย่างนี้นะหรือเห็นเห็น เห็นอาการที่มันเกิดขึ้นในใจนะโดยไม่ใช่บอกว่าเราเป็นนะให้แยกตรงนี้ว่าอ๋อเมื่อกี้มันคิดเมื่อกี้มันรู้สึกนะแต่ไม่ต้องพูดก็ได้นะแต่นี่พูดให้แบบเห็นภาพได้ชัดเจนแต่จริงคือพอมันคิดปุ๊บนะเรารู้สึกรู้ทันได้เนี่ยมันจะแยกอีกอย่างหนึ่งนะจิตที่คิดก็อันหนึ่งจิตที่รู้ก็อันหนึ่งจิตที่มันรู้สึกแบบนั้น อะไรก็แล้วแต่นะอันหนึง่งจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้มันมันรู้สึกอย่างนั้นนะ่ะมันก็อันหนึง่ง <c oughs> คือเวลาดูความคิดดูจิตใจเนะี่ยมันก็อาศัยจิตเหมือนกันนี่แหละนะมันเผลอก่อนเผลอมาคิดหรือเผลอโกรธขึ้นมาแล้วก็มีสติรู้นะรู้ว่าเมื่อกี้มันโกรธดูว่าเมื่อกี้มันคิดมันจะแยกได้อ๋อจิตเองนะมันมีสองลักษณะ ลักษณะหนึ่งคือปรุงแต่งอีกลักษณะหนึ่งคือการรู้นะตัวสติเนะี่ยคือจิตที่รู้อีกตัวหนึ่งคือจิตที่หลงจิตที่ปุงแต่งจะเห็นว่าอ๋อจิตมันมีสองลักษณะนะจิตที่ปุงอันหนึง่งจิตที่ไม่ปุงอันหนึง่งนะพอเราเห็นแบบนี้ได้จะาึะรู้เลยว่าเขาที่จริงถ้าจิตมันอยู่ในลักษณะไหนมันเป็นทุกข์ จิตอยู่ในลักษณะไหนไม่เป็นทุกข์ดูแบบนี้จะรู้เลยว่าที่จริงเราไม่จะเป็นต้องทุกข์ตลอดเวลาเราไม่จะเป็นต้องปรุงตลอดเวลาเลยแต่พอเราไม่รู้จักตัวจิตที่มันไม่ปรุงแต่งจิตที่มีสตินี่แหละทำให้เราปรุงไปเรื่อยเลยปรุงไปเรื่อยนะปรุงไปเรื่อยจบเรื่องนี้ก็ปรุงต่อเรื่องนั้นชีวิตจิตใจเนี่ยไม่เคยเป็นอิสระเลย ไม่เคยเว้นจากการปรุงแต่งเลยนะเพราะมันจะปรุงต่อไปเรนะื่อยถ้าจะเว้นก็เว้นแค่ชั่วงขนาดสั้นๆนิด ๆ, นดๆหน่อยแต่ถ้าเรารู้จักกรรมฐานนะมันจะทำให้เราเห็นนะเห็นการปรุงแต่งว่าเห็นการปรุงแต่งได้นะมันก็จะหยุดการปรุงแต่งได้นะนะลองดูคล้ายๆเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนจากพ อ, อไรคิดปุ๊บพอรู้ทันปนะุ๊บ มันหยุดคิดเวลาไหนที่สติเราพอนะเวลาเกิดความคิดเกิดอารมณ์ขึ้นเลยนะพอมาเห็นปุ๊บนะมันหยุดเลยหยุดทันทีนะถ้าสติพอนะแล้วก็เห็นด้วยใจที่เป็นการนะมันหยุดมันดับได้ทันทีเลยแต่บางครั้งที่เราเห็นแล้วมันทํำไมไม่ดับทำไมอยากแล้วมันยังอยากอยู่ทําไมโกรธแล้วมันยังโกรธอยู่นะอันนั้นส่วนหนึ่งอาจจะ กำลังสติไม่พอหรือส่วนหนึ่งใจไม่เป็นการสาคัญนะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีอันนี้อาจจะมาเรียนพูดคร่าวๆอาจจะมีสองเงื่อนไขนี่แะเมื่อเราเห็นอารมณ์เห็นความคิดแล้วมันไม่ตับนะเพราะว่าหนึ่งกำลังสติไม่พอเช่นเวลาเราโกรธเราปล่อยมันโกรธนานนะแล้วพอเรามาเห็นแล้วมันไม่ตับ คล้ายๆเหมือนกับไฟมันไหมนานละเราไปเอาไฟเอาน้ําไปดับทันทีเลยมันก็ไม่ดับเพราะว่าไฟมันแรงอยู่เราปล่อยให้ความอยากมันนานสะสมมานานพอเราเห็นปุ๊บมันไม่ดับนะเพราะว่ากําลังมันไม่พอแต่จริงมันก็เกิดประโยชน์ในระดับหนึ่งแล้วแหละนะในการเห็นจะเป็นว่าเห็นไปเรื่อยๆคล้ายๆเหมือนกับเราเราขับรถนะบางที เราขับเร็วไหนเป็นร้อยกิโนเมตรต่อชั่วโมงนะเบรกทีเดียวไม่อยู่หรอกทันะ้งเบรกเบรกย้ำแล้วก็ใช้ลาสักพักหนึ่งนะไม่ถึงไม่ถึงนาทีนะมันก็จะหยุดได้นะมดเราขับเร็วขนาดไหนนะแต่พอเราจะเบรกจริงๆก็เหยียบไปสักพักหนึงมันก็มีความความแรความหน่วงของดถน่ะที่มันจะค่อยๆไปข้างหน้าแต่พอเราเบรกนะึ่งก็จะค่อยๆห ย, ยุดลงมาเนะ อารมณ์ที่มันแรงๆก็เหมือนกันนะบางทีมันยังไม่ดับไม่เป็นไรเราก็เห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆพอเห็นบ่อยๆสักพักหนึ่งเขาก็จะดับให้เราเห็นเหมือนกันนะอันนี้คือกำลังไม่พอก็ฝึกเรื่อยๆนี่แหละกลับมามีสติเรื่อยๆแต่อีส่วนหนึ่งเนีางที่ว่าตรงนี้จะสำคัญมากนะมันเป็นเรื่องการวางใจถ้าวางใจไม่ถูกเนี่ย มันจะตับยากมากการวางใจให้เป็นกลางเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องมาศึกษานะคาว่าการวางใจให้เป็นกลางคือว่าเมื่อเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยให้เราเห็นเฉยเฉยสภาวะที่เห็นเฉยเฉยนัย้มันจะทำให้สติมันตรงที่สุดแหนะแต่การทีร่ถ้าเราไม่เห็นเฉยเฉยอะ่ะมันจะเจอได้ความ ความรุนรุนว่าเมื่อไรมันจะตัดหรือบางอย่างถ้ามันดีเราก็รุนว่าอยากให้มันอยู่แบบนี้หรือบางอย่างถ้าเราไม่ชอบใจเราก็จะรู้สึกว่าเห็นแล้วมันรู้สึกว่าไม่อยากให้มันมีอีกคือมันมีความรุนเช่นว่าเวลาเผลอโกรธคนที่เรารักนะสมมตินะเผลอโกรธคนที่เรารักขึ้นมาปุ๊บน่ะ พอโกรธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราเกิดรู้สึกแย่ทําไมเราโกรธแม่สมมติทําไมเราโกรธพอ่อทําไมเราโกรธอา จ, จารย์สมมติน่ะพอพอโกรธขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่รู้สฉยเฉยเนี่ยมันจะเจอด้วยความไม่พอใจตัวเองเนี่ยเราก็จะโกรธตัวเองทํางเนี่ยคือไม่รู้สฉยเฉยแต่ถ้ารู้เฉยก็เห็นว่ามันโกรธมันจะดําง่ายนะแต่พอเรารู้สึกว่ามันโกรธไม่ดีเลยที่เราโกรธแม่ มันมีความโกรธแต่เองซ้อมเข้าไปอีกมันก็เลยมันก็เลยทุกข์มากขึ้นนะโกรธเขาก็เป็นทุกข์แล้วโกรธแต่เองเอีกก็เป็นทุกข์นะมันก็เลยไม่รู้ีเฉยๆแต่จะทำไงให้เรารู้สึกอืมเห็นแค่ว่าเออเห็นใจมัโกรธนะเห็นแค่ใจมันโกรธอ่นะพอเห็นปุ๊บเฉยๆนะความโกรธก็จะหายไดนะ้แต่ถ้าเราเจอด้วยความรู้สึกไม่พอใจที่เราโกรธน่ะ มันก็คือการเติมเชื้อเข้าไปเติมเชื้อความโกรธเข้าไปมันก็เลยความโกรธคนอื่นอาจจะลตรงก็ดีแต่ความโกรธตัวเองมันมันเข้ามาแทนที่มันก็เป็นความทุกข์เหมือนกันนะเวลาเราอยากก็เหมือนกันนะเวลาเราอยากทำไมมันมันเป็นทุกข์นะเพราะว่าบางทีเราก็ทนความอยากไม่ได้นะพอทนความอยากไม่ได้คือ เราก็อยากให้มันหายยากเหมือนนันนะมันก็เลยเป็นทุกข์นะแต่นี้อธิบายอาจจะเห็นภาพไม่ไ ม, ไม่ชัดมากนะแต่โยมน้องสังเกตไหมเวลาเช่นเวลาเราอยากกินนะแตเวลาเราอยากกินทำไมรู้สึกเป็นทุกข์จะรู้สึกว่าหายทุกข์ตอนไหนตอนที่ได้กินนะใช่ไหมแต่จริงถ้าเราดูดีๆนะว่ดเราอยากกินอะไรสักอย่างหนึ่งนะว่ดถ้าเราไปคิดถึงเรื่องอื่น มันนั้นเป็นทุกข์ไหมไม่เป็นทุกข์นะมันทุกข์ตอนที่เราไปไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราอยากแต่พอเราไปคิดถึงเรื่องอื่นขึ้นมานะมันดื่มมันดื่มเรื่องที่เราอยากจะกินนะจิตก็ไม่เป็นทุกข์แล้จะเห็นว้าที่จริงจิ ต, ต ม, มันตลกมากมันตลกพอเราไปจดจอ่อไปจับไปยึดอะไรไว้ทั้งอย่างเนี่ยโอ้โหมันจะทุกข์มากเลยแต่พอเราปล่อยไปไปอยู่กับเรื่องอนะื่นเนี่ยจิตมันก็ไม่เป็นทุกข์แนะ อันนี้ดูดีๆนะเราจะเห็นนะการที่ใจเป็นกลางกับสภาวะนักปฏิบัติธรรมเองก็ดีนะหรือไม่แต่พระเองก็ดีเราไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าขณะที่เราปฏิบัติธรรมนะี่เราจะต้องไม่มีความโลภความโกรธความหลงนะไม่ใช่นะแต่ให้มีแล้วให้เห็นมันนะเป็นคนธรรมดาปกตินี่แหละแต่พิมพแต่ว่า เมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมาให้เรามีเห็นเขาเมื่อเห็นเขาแล้วเราจะไม่ถูกเขาครอบงำนะหลวงพ่อคำนะ เ, ออเขียนท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าเหมือนกับคนเห็นงูนะจะไม่ถูกงูกัดแต่ถ้าเราไม่เห็นงูเนะี่ยงูมันจะกัดนะพราะเราไปเผลอเหยียบ ง, งูแต่ถ้าเราเห็นงูแนะเราจะหยุดเราจะหยุดไม่เดินเข้าไปหาให้เขากัดถ้าเราเห็นอารมณ์เห็นความคิดขึ้นมน ได้เห็นจริงๆนะมันจะไม่จับถ้าเห็นจริงๆอะ่ะมันจะมันจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์อ่ะมันจะไม่เอามันจะปล่อยนั่นคือสภาวะที่มันเห็นนะค่อยๆค่อยๆดูค่อยๆฝึกนะจําจําไว้เบื้องต้นก่อนนะก็คือว่าถ้าถ้าเห็นอารมณ์เห็นความคิดถ้ามันไม่ดับแต่ว่ากําลังสติไม่พอถ้ากําลังสติไม่พอทำอย่าไหนก็เพิ่มสติ สร้างสติขึ้ น, นหรือถ้าเห็นแล้วมันยังเจือเรืความใจไม่เป็นกลางให้เราปรับใจให่เป็นกลางมันก็คืออารมณ์อย่างหนึง่งมันก็คือความคิดอย่างหนึง่งให้เราวางใจเป็นกลางนะอย่าไปอย่าไปเติมเชื้อโอดตัวเองเข้าไปหรืออยากให้มันหายอยากให้มันดับเข้าไปนะใจจะไม่เป็นกลาง ใจไม่เป็นทางเนี่ยมันจะทำให้เราจะทำให้เราแบบเป็นทุกข์มากเหมือนกันนะหรือทำให้เราหลงไปอีกแบบหนึง่งนหะลงไปรักษาความสุขไว้นะหรือหลงไปเพิ่มความทุกข์ในใจอย่างเนี้ยมันอธิบายยากนะแต่การปฏิบัตินะให้เราสังเกตที่ตัวเราเองนะนะสังเกตที่ตัวเราเองทำอย่างไรนะร่างกาย มันผ่อนคลายทำอย่างไรจิตใจผ่อนคลายไม่เป็นทุกขเนี่ยแอมนะทำแบบนั้นนะแต่คําว่าผ่อนคลายนี่ไม่ใช่ว่าปล่อยเนื้อปล่อยปล่อยตัวไปตามสบายไม่ทําอะไรเลยนะ <c oughs> เราปฏิบัติทำนี่นแหละนะจะปฏิบัติแบบไหนให้ร่างกายผ่อนคลายเนาะปฏิบัติแบบไหนให้จิตใจผ่อนคลายมีสติรู้ตัวอยู่นแต่ไม่เคร่งเครียด มีความตั้งใจแต่ไม่เคร่งเครียดนะมีความรู้ตัวแต่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบจ้องนะะรู้เฉยเฉยไม่ใช่จ้องดูตัว น, นี้นะนะแล้วก็ลองฝึก ด, ดูนะถ้าเราจะเห็นเองว่ามันมีสภาวะที่รู้กับสภาวะที่หลงไปสภาวะที่มีสติกับสมาวกับสภาวะที่มันขาดสตินะ สติเป็นแบบไหนมีสติเป็นแบบไหนห น, นะรเี้เนเราก็ลองดูเนาะลองปฏิบัติไปเรื่อยๆนะอ่ะก็ฝากไว้ในเช้า ว, วันนี้